ปเปนนวรละกา บ, บ้านหมดแล้วเลย <c oughs> สร้างศรัทธาผู้มีปัญญาควรก่อสร้างศรัทธาศีลเพื่อต่อรองเพื่อเป็นหลักนอกจากนั้นก็มีสติ ใจดีๆเอาไว้อย่าผลผันผนแล่นเห็นอะไรอะไรเกิดขึ้นกับตัวเองกับคนอื่นจึงอื่นหนักด้านไว้ผู้วรรลุธรรมให้มีส่วนประกอบลหลายอย่างสร้างชีวิตล่องไว้ตัวเองเอาอย่าง พระพุทธเจ้าเอาอย่างเราสาวกจุละลูกมีเอตะตะคะต่างๆกันไปเราก็เอามาสอนตัวเราในตัวเรานี้ก็มีพะสูตรปุณ ส, สูตรบาปสูตรผิดสูตรถูกสูตร รูสูตรลงในตัวเรานี้จะออกไปข้างนอกมันมีหลักสูตรยมีปัญหาอะไรมีสูตรสำเร็จงั้นเราเรียนคณิตศาสตร์โจทย์มันมีจำเลยมันมีเค่โจทย์เรานี่เป็นจำเลยมันมีโจทย์ ทำให้เราเป็นเจ้าเลยของปัญห า, า, หหามียิ่งเลตนามีความโลภโกรธหลงความทุกข์ความเลอความชังความหลงอะไรต่างๆแล้วก็รับใช้เจริเหล่านี้เป็นที่ค่าเป็นธาตุของเขามาประกาศอิสรภาพมีสติ เป็นตุลาการพิาพากษาฟ้องมันลงไปมันก็มัดหลักฐานได้เห็นรูปแผ้นนามรูปทามนามทามได้หลักฐานมัดมันแช่ต่างมันก็หลดออกไปหลดพ้นจากเลสตัญหาได้ เราก็มีครูอาจารย์เรียนตามพ่อขอตามครูอยู่พระเจ้าเป็นบรมครูของเราจนมาถึงรุ่นครูอาจารย์ของเรามาตลอดมาตามสายธิรวาดมีอาจารย์ตั้งแต่นู้นมาก็จับปะวาลีอานโนนนูท่ท่ มคลานะสาลิโวเป็นเถระสงเป็นเถระวาดทรงทำไว้ไหนประกาศสร้างพระปรดกไตปริดกขึ้นมาเพื่อให้เรือนรลางล้อยกองเอาไว้แล้วก็เป็นจริงธรรมะที่เราเรียนตาม ในพระสูตก็เป็นจริงจะตัดออกไม่ได้จะเพิ่มเติมไม่ได้อย่เนี้เราจะปฏิเสธธรรมะก็ะเท่ากับปฏิเสธตัวเองเราปฏิเสธตัวเองก็เท่ากับปฏิเสธธรรมะแล้วก็มีกรรมเหมือนกันมีบาปมีบุญเหมือนกัน นี่ผิดไม่ถูกเหมือนกันจนมาถึงยุคนี้สมัยนี้รุ่นนองผู้เทียนสอนพวกเราก็เวลานี่แหละทำวัดเช้าทุกวันทำวัดเย็นทุกวันแล้วก็ทำตามสมัยขงพูดเช้าที่สามพระองค์ก็มองอมสัตว์โลก ใครอยู่ในเครือข่ายพูดที่จะวรรลุทำอะไรบ้างมองหาวาสกคนนั้นวาชิกาคนนี้วาส่งรูปนั่นวาส่งรูปนี้เป็นสัญญาณสัญญานในใจในเครื่องลับเขาอีได้ยินได้ฟังมาบ้างเหมือนหมอตรวจโรคของเราเขาเอาความ รับของเรา <c oughs> เอาเหตุเอาข้อมูลจากเราแล้วก็ให้วิทิไชโลกก็หายามาใส่รักษาโรคได้ต่างน้งตาเนี่ยเป็นโรคมะเล็ง ก, ก็เนื้อโตเรือลำคอเขาวินิจฉัย ไปสูตรก็มาตัดแล้ก็เนื้อลํางคอไปพิสูจน์ว่าเป็นโลกมะเร็งันดับที่ฉี่แล้ว <c oughs> แล้วก็ให้ยารักษาอื่นวาย็ปหมดแล้อ๋อสาระก็แฝกมาหลังพ่อป่วยเป็นโรค ก, ก็เนื้อแต่บอ่อนไม่มียารักษาเลย ตอนนี้ก็บอกไปว่าก้อเนื้อตับอ่อนมันเป็นก้อเนื้อโตเลอลำคอขยายไปสู่ตับอ่อนเออถาอ้างนั้นรักษาได้น่าให้เจียมงตัวใหม่เข้าไปเลยเจ้าพรเจ้าพิเศษวิธีการรักษาอื่นใดทั้งสิ้นให้เจีย ม, มให้หลวงพ่อหายใจได้น่เขาก็อาหิ้งใส ไอ้ตัวเรานี้มันก็มีเหตุมีปัจจัยทุกมันมีเหตุทุกมันเป็นผลเหตุมันคือความหลงอยไปเจอทุกแก้ความหลงนั่นก่อนมันหลงกลมหลงที่แก้ได้คือความรู้สึกตัวเนี่ยเราก็ทําได้ไม่ต้องไปขอใครถ้าเราก็ช่วยกัน พระอาจารย์ที่อยู่ที่นี่นอกจากการทรงเสนวัฒชัยมียานนอาจารย์หลวงพ่อโวนอาจารย์ได้ติ๊กบ้างต้องหมิงบ้างหรือใครหลายๆรูปอยู่เนี่ยก็ต้องติดตามรับผิดชอบให้รูปต่อขายใครบ้างไปยังไงก็เราจะได้ชํานาญ ในความเป็นวิปัาจารย์ได้ไปพบปะกับนักปฏิบัติอยู่เรื่อยๆไทยๆถามมีปัญหาอะไรเราก็ได้ส้มเรื่องด้านบางทีเราได้คำตอบจากเราเราก็ไปตอบให้เขาที่มีปัญหาที่ไม่มีปัญหาบางก็สนับสนุนเราก็แค่ปัญหาให้ มันก็ได้ข้อมูลทั้งสองฝ่ายต้องมันก็ชำนาญเรื่องการสอนมากการพบปะบ้างการสอนธรรมะที่ให้ผลได้อาจารย์ผู้สอนต้องพบปะกับนักปฏิบัติธรรมได้ข้อมูลจากผู้ปฏิบัติอย่างน้อยสี่ห้าคนคนหนึ่ง เาก็มาพูดเป็นปัจจุบันให้การฟังเหมือนหรอเป็นครูนักธรรมเราเรียนจบมาถ้าไม่สอนนักธรรมแลยลืนล้างลืมไปหมดต้องมาสอนนักธรรมดูตอนเราสอนนักธรรมเนี่ยเราได้ความรู้กว่านักเรียนด้วยซ้งไปเวลาเขาเรียนบทต่างๆ หมวดต่างๆในธรรมหมวดต่างๆในวินยัยหมวดต่างๆในพุทธประวัติอนุพุทธปรวติพุทธานุพุทธประวัติเราสอนสอนวิชาแล้วก็ชานาญแล้วก็เจงสอนเท่าไหร่ก็รู้เท่านั้นอาจจะรู้มากกว่านักเรียนชานาญในการสอนชานาญในการรู้ หมอที่มีประสบการณ์ถามประสบการณ์เฉพาะวิชาอะไรต่างๆก็ประเดียนอีกแขนงหนึ่งชำนานในการผ่าตัดชำนานนอะไรต่างๆเรียนจบวิชารวมมาแล้วต้องไปประสบการณ์อีกเราก็เป็นลักสอนธรรมะเห็นผิดเห็นถูกเห็นปัญหาเห็นอะไรต่างๆได้เกี่ยวข้องกับปัญหาบ้าง ก็ทำใเราจะนิชำนานไปจบการขึ้นหลวงพ่อเทียนสอนเราเวลาที่เราปฏิบัติเราก็ยังอยู่ในหัวใจเราอยู่ได้ยินเสียงหลวงพ่อเทียนพูดอยู่เห็นอยู่เวลาเราหลงเวลาเรารู้เวลาเรามีปัญหาเวลาเราไม่มีปัญหาหลวงพ่อเทียนก็สอนเรา แม่หลวงพ่อเถียนมาสอนโดยตรงตัวต่อตั ว, ตวก็มาสอนเวลาทำวัดเราก็เจ็บเอาฟังทำวัดทุกวันไม่ขาดแม่จะปฏิบัติเคร่งกรรมฐานเคร่งขนาดไหนก็ยังทําวัดอยู่ฟังหนึน่งจุดใดที่หลวงพ่อเทียนพูดเรายังไม่เข้าใจพยายามให้เข้าใจเมื่ออยากไปแจ้งพยายามทําให้แจ้ง ถึงใดที่หลวงพ่อเดียนพูดแล้วเราก็ผ่านไปซ้อมดูจนเห็นลูกเห็นนามเนี่ยมันจริงไหมใช้ได้ไหม5้าบวก้าได้เท่าไร่มได้สิบจริงไหมําแล้วทำอีกมันก็ลงตัว5้าลบ้าได้เท่าไร่เหลือหรือได้มันออกไปแล้วหมดแล้วออกมาทำดูมันก็หมดไปเป็นสูตรสำเร็จอยู่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 ภาพมันเป็นเลนชีวิตทำดีมันก็ติดบ้าทำชั่วก็ติดบ้างะัรนีนน่สนุกก็มีความชั่วมากก็สนุกสนุกละสนุกเปลี่ยนแปลงอย่างองค์นิบานเนี่ยมันหน้ามือแล้วมือทันที จนออกจากปากขององค์ทีมานแต่ก่อนนี้เราถูกเมฆหมอกข้อคุมเหมือนพระจันทร์อยู่ในเมฆหมอกไม่รู้อะไรวันนี้เราก็จากเมฆหมอกเสียแล้วเหมือนพรจันทร์ผู้จากเมฆสว่างสวยโยจากวัชิตังศิเวกุสิโตหิวี โยบปุเพปะนัดคิดว่าประเาโสนปะมัสติโสมังโลกังปาเสติอปุมุโตวจันทิมนาจันที่มาพ้นจากเมฆอุทานออกมาอุทานออกมาโอทูมันสลดสลดสองเวทตัวเองสงสอนตัวเองน้าตาลุวง ก็สงสารตัวเองที่มีทุกข์เห็นทุกข์ห้ยทำตาซเราไม่จัช่วยตัวเองะไหมกอดบางทีกัทุกข์ด้วยใช่อกับทุกข์นอนอยู่กับความทุกข์พอใจนะความทุกข์ใช่หมพอใจพอใจความปวดก็พอใจว่ายงั้นเขาว่าอย่างนี้ ก็ทำอย่างนันก็ทำอย่างนี้กูไม่ยอมกูไมยอมพอใจไม่รู้จริงๆนิงนะมีใครรู้เรื่องนี้ไม่มีใครรู้ไม่รู้หลวงพ่อก็ไม่รู้เนาะพอใจในความโกรธพอใจในความทุกข์เราโกรหรือโกรธต่อยไม่ลืมแนะหน้าบูดหน้าเบิ่งเสกันเห็นกันคาะไรโกรธเอาห้างกันเลยไม่รู้จักอาสองสารตัวเอง พอมาเห็นแล้วพตัวเราอยู่ในความทุกข์เราอยู่ในความหลงไม่รู้เลยเหมือนหนอนอยู่ในคูดไม่รู้จะคูดหรือว่าเป็นเรื่องดีใเพื่อนกันเล่อันนี้ทานประกอบสักหน่อยฟังไหมเล่าร้ายทีแล้วแต่นุกนะเพื่อนสองคน ลักกันไปไหนไปเดินกันวันหนึ่งเขาเป็นบุญฟังเทศกันจนกันไปบังเทศแต่เพื่อนคนหนึ่งเกิดลูกป่วยไม่มีอาหารใน้ลูกกินต้องไปหาปลาจะปลาแต่ไม่ได้ไปฝังเทศกับเพื่อนไปหาปลาอยู่ในห้วยในหนองใจเราบรรจุที่เสียงคล้งตีอยู่ที่วะโหยโหย ฟังเทศจู่โอ้ยเสียใจเลยเราไม่ได้ไปฟางเทศกับเพื่อนเนาะเพือ่อนเราคงจะดั้งฟางเทศจู่โน่นแล้วเราเนี่ยจําเป็นนะไม่ได้มาไปฟางเทศกับเพื่อนเลยถ้าไม่มาหาอาหารให้ลูกกินลูกก็ไม่มีอาหารต้องหาใช่ปะใจอยู่ที่การฟังเทศแต่เพื่อนที่ไปฟังเทศนั้นโอ้ย กูเสียเปียกเพื่อนแล้วกูไม่ได้ไปจับปลากับเพื่อนแล้วปลา น, นี่เพื่อนของกูคงจะจับปลาตัวใหญ่คงสนุกดีล่ะคิดถึงแต่เพื่อนไปจับปลา <c oughs> ออเลยมันก็ได้คนละอย่างใจไม่ตามใจไม่ใสคนไปจับปลาคิดถึงพระเทศแสดงธรรมคนฟังเทศคิดถึงเพื่อนไปจับปลาอะ คนที่โสดเพื่อนของก่อก็พบกันแล้โอ้ยกูคิดถึงมึงไว้มึงจับปลาคงสนุกดีนวโอ้ยกูคิดถึงมึงเหมือนกันมึงฟังเทพคงสนุกไม่ใช่กูคิดถึงแต่มึงกูจะเสียเปรียบบางอ่ะได้ปลามากไหมโอ้ยได้เต็มคลองเลยโอ้ยเสียเปรียบบางแล้วน่าจะมาจับปลากับมึงไม่น่าจะไปฟังเทศเลยคิดเลยได้เลย อจุดส่งทุกคนตายลงไปก็ยังรักกันอยู่เพื่อนที่ไปจับปลาได้เป็นเทว ด, ดาโยดยจิตที่มันคิดไปไม่ได้มีความพอใจในการจับปลาเลยเพื่อนจะไปบางเทศเกิดไปตลลกนรกหากันเพื่อนที่ไปจับปลาได้ไปอยู่สวรรค์มีความโศกว่าตามหาเพื่อนเพื่อนเราไปอยู่ไหนเนาะ หากันไปเจออยู่ในหลมุมหลุมช่วงของพ่ะเป็นนอนเพื่อนอ้าวเพื่อนมาอยู่นี่ทําไมอ่าไปอยู่ด้วยกันน่ะเมืองสวรรค์ น, นู่นนะมาอยู่นี่ทําไมหนอเนี่ยไปไป ไ, ปไต้องมาอยู่นี่แล้วเพื่อนที่เป็นนอนก็เมืองสวรรค์มันดียังไงโอ้ยจะอยากจะกินอะไรก็ เพาแต่คิดจะกินมันมีให้กินให้อยู่เลยโอ้ยมืองสวรรต้องคิดเหลืออันนี้ไม่ต้องคิดเลยถึงเวลามันหล่นลงมาไมไปหลอกถ้ายังคิดอยู่อันนี้ไม่ต้องคิดนะโอ้เออหล่นลงไปมันคูดมันขี้ละ่ะอเพื่อนคนที่เป็นต๋องในมือสวนมีขี้กินไหมอย่างนี้นี่มันก็พอใจ มันจีนขี้มันก็ยังพอใจมันโกรธมันก็ยังพอใจไม่อายกันเลยหน้าบูดหน้าบึง้งตึงเครียดกันด่ากันได้นะะมันก็พอใจไม่รู้เลยให้รู้ทุกข์ให้ตัวเองนะมาเห็นทุกข์ตัวทุกสงสอนตัวเองมากๆเลยตลอดใจ ก็มาเห็นจริงๆไม่ใช่คิดเห็นมันพบเห็นเห็นรูปเห็นนามเห็นรูปทำเห็นนามทำมันทําดีมันชั่วรูปเนี้ยมันทําชั่วมันทําดีมันทํา ท, ท, ทั่วได้มันทําดีได้แต่ก่อนแล้วแต่เหตุปัจจัยของมันแบบ น, นี้เราจะไม่ให้รูปทําชั่วไม่ให้รูปนามทําชั่วเราจะให้รูปทําดีเราใช้นามทําดีมีสิทธิร้อยเปอเ็น ความทุกข์ความสุขที่เกิดจากความคิดจะไม่ให้มีแล้วต่อไปนี้ความทุกข์ที่เกิดจากความคิดไม่มีแน่นอนเลยให้จิตถือความคิดนีเป็นปกติไม่ได้สร้างความสุขความทุกข์ให้จิตจนจิตหลงโปธรรมาน้ำทำรูปทุกน้ำทุกรูปมันทุก รอยอยาดทุกข์ของลูกหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นทุกข์สภาวะทุกข์เพื่อดำร้อยเดินเดินนั่งนอนสภาวะทุกข์ตามธรรมชาติต้องกินต้องถ่ายต้องวันนี้ก็เป็นการเจตทุกข์ของลูกอยู่แล้ว คก็บไข้เด็กป่วยเป็นทุกของลูกอยู่แล้วปวนหนักปวดเบาต้องไปทุกข์ของลูกอยู่แล้วเหมือนก็เป็นก้อนทุกข์อยู่ย้งเอาความทุกข์ที่เกิดจากอุปทานยึ ด, ดมัน่นถือมัน่นเอามาลักเอามาจังเป็นทุกข์เป็นความเจิดความลักความชังได้สมุดปัญทึกเข้าไปท้อถอยเ่าปล่อยพอใจไม่พอใจ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 ไม่ค่อยได้ชุดอยากช่วยเหลือพอมาเห็นลูกทุกน้ำทุกโอ้ยก็ตื่นรื อ, ล, ล, ล, ล, ล, อล้ลนเลยเวลามันหลงเคยตื่หลือล้นเปลีป่ลลยนหลงเป็นลูกเวลามทุกโอ้ยเส้นวเปลี่ยนช่วยลูกช่วยน้ำลูกโลกน้ําโลกโลกของลูกปวดเจ็บเจ็บตาเจ็บคไข้หรป่วยเป็นโรคสารพัดอย่าง โลกของนามคือความโลภความโกรธความหลงความรักความชังความพอใจไม่พอใจโลกของนามรักษาได้หายโลกจนพระพุทธเจ้าอรูขย่ปรมาราพาความไม่มีโลกเป็นลาประเสริฐพระเจ้าประกาศไปในทางสีแ่แผ่นห้าแผ่ง หายจางโลกอันนี้ดับได้เย็นได้แล้วโลกของนามโลกของรูปนี้ต้องอาศัยเหตุปัจจัยอาศัยหมออาศัยอยู่สาศัยยามันก็วีญาต่อสารสัดพิษกระต่อยให้เอาโตน พยาลากดำเอาลากมันตะขาบกัดแง้งปองกัดงูกัดพยาลากดมรู้จักไหมฮะอยู่ในว่าเรามีเยอะกดเอาลากมันล่างดีๆฝนจะน่ามานาวให้มันเหนียวเหนียวขนวเรามาแปะปิดปากบาดมันไม่จะดูด ถอนพิษได้ให้รู้จักอะไรบ้างเวลามีดบาทถ้าไม่มีอะไรใส่สะดุดตอเลือดอกอกหกล้มจุกแน่นเอาเลยไม่ได้เอาน้ามปัจวะลาดลงไปถ้ามันอยู่แขนเนี่ปัจวะไม่ได้ก็ปัจวะใส่ใบตองแล้วมาลาดลงไป <c oughs> แชแผลทยักข้ามเลือดได้ดี <Yeah. S 1> ไม่เป็นแผลทยักษนะแต่ก่อนในพุทธเจ้าใช้อันนี้เืยว่าฉันยาดองน้ามูดเน่าถ้าปัสสวะไว้เอาหักสอมองขาป้องไปดองใส่กังอาทิตย์แดงกลิ่นน้าปัสสวะจะไม่มีเป็นกลิ่นยาไปเลยเป็นยาอายุธนะได้ ถ้าอย่างนั้นก็มีต้นสาบเสือเอามาขยำ้ำขยำ้ำไปน้มปัสสวะนิดหน่อยแล้วก็มาห้ามเลือดห้ามแผลทยักดาแจ้แผลทยะยักดาอันนี้เป็นโรคของลกูกใ่้รู้จกักคิดตัวเองเอาต่างครเจรรูปบ้าง ถ้าไม่ลูกมาเรียนกับหลวงตาทช่นี่เรื่องยาสมุนไพรโจนี่กลูกไว้กติกะดินทางที่ต่วนตกของหอไตนะใจน่ะไอ้ว่านจารพัสจาชักปอดลูกดีมากแม่จะมดลูกย่อนจะไปผ่าตัดอาหลวงตาเอาว่านชักปอดลูกให้ไปต้มจินไปตรวจไม่ได้ผ่าเลย มันโลกขดเพราะนั่นอย่าให้มันเป็นมันมีแหนงมันจะไปขุดเอาหัวมันมันมีสองชนิดชนิดที่เป็นหัวปุ้มปุ้มลงไปนงก็เรียกว่านหดอ่ะอันนั่นไม่ดีเท่ากับมีหัวอยู่แต่ว่ามีแหนงออกมาไงแหนงน้อยๆเนี่ยเนี่ยดีไปหักเอาซะอย่าไปขุดหักกอาาวันละ สองข้อมือสมข้อมือข้อมือเดียวมาล่างเดียวฝันกินกับข้าวทุกวันเป็นพักไปนในตัว <c oughs> ผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีกินได้ใครเป็นใส่เลื่อนใส่อะไรผู้หญิงเป็นมดลูกเมไ่ไหรกินได้เลยนี่ก็รู้จักบางน ะ, <c oughs> ะไม่รู้ก็ถามเราสิ <c oughs> เราจะบอกอ่านชักมดลูก ยาพิษต่างๆมีเดี๋ยวนี้ยาที่นี่กราังเอาไปจนหมดแล้ววัวตะเหลิงโกคานยารักษาโรคเอสด่าจินอาหารก็จิ้นผักบ้างอย่าไปชอบผัดผัดทอดทอดเกินไปอาหารที่ทอดเนี่ยไม่อยากให้จินเจอยรักษาโรคช่วยโรยเองบ้าง น้ำมันที่ทอดแล้วทอดเอกเนี่ยอันตรายาเปนโรคมะเร็งได้อย่าไปทอดกันไปล้องตาด่าลงทานอยู่กินทอดเนี่ยโอ้ยคุ้งไปเลยไม่ค่อยดีนะอฝ <c oughs> <c oughs> ักมะละขี่นกเนี่ยสดๆเนี่ยกินลงไปรักษามะเร็งได้รักษาโรคเอดได้มะละขี่นกเนี่ยตกง่าย ในวัดเราไม่ค่อยมีรังให้ปลูกปีนี้ปีหน้าคงไม่อดเวละกินกเนี่ยจิยนนไปลแล้วก็แล้วก็จักรนาลายที่ปลูกไว้าตามเงาของ อ, อะไรต้นฐานที่ท่อที่ปลูเเกเจ้ายวังกอนะเดินไปฉันอย่าเดินมือเปล่า เด็ดไปคนลรายอดสองยอดเอาไปกินสดสดหรืออาวานหอกปอกไหวกติลงตานรอบยอยู่นะเด็ดเอายอดสองยอดไปกินกินอาหารกินเป็นยาอาหารด้วยเป็นยาด้วยหรือผักติ้วถ้าเดินไปทางสายพานมาทางนี้ทางคูทิศตะวันตกของงทานจะมียอดติ้ว เกบไปบ้างยอดม้อยมเจ็บไปบ้างถ้าเดินไปทางนี้จะมีสมักเหรือไอ้ผักเมกอะอยู่ข้างขังขวมือใช่ไหมเด็ดยอดไปกินบ้างอกผักไปเดินไปหอยฉันน่ะมีของกินน่ะของผักนะ่ะเก็บิบกว่าชนิดในครูสาะเนี่ยเป็นของกินทั้งนั้นยอย่าไปยอมอดเก็บไปบ้างของเราเองไม่ต้องอาบาด ต้องดานี่เป็ น, นปงูปลูกแรงเจ็ดสิบกว่าชนิดผักกินอาบไว้กินต่อไปเนี่ยเอยกไม่จี่ปีสีป่ปียี่สิบปีต่อไปลานหนิงคงเนี่ยจะหอมไปด้วยกลิ่นดอกไม้เติมจ อ, อาลวนจนต้องถือปลูกไว้ต้นพยอมที่หลวงพ่อปลูกไว้เกิดดอกหอมเป็นบางสวรรค์ยาหม้อใหญ่ ต่อไปก็แถวนี้จะมีบนนาคี่กุลบนนาคมาาันจะทอดล้อคนเดินเข้ามากลาเป็นโรคความดันสูงความดันต่ําได้กิ่นบนนาคหอมเข้าไปาดันต่ำความ้ันสูงจะปรับตัวดีเป็นยาหม้อใหญ่ <laughs> จริงๆนะอ่าไม่ต้องไปกินยาเดินมาหนี้จะเป็นยาไปเลยยาหมอใหญ่อ่า อกินบนนาคมีอยู่ต้อนรับของเรามาไป <c oughs> <c oughs> เดินเข้ามานี่ประตูสุนิตารนี่มาหมอยา ม, ามายา้อใหญ่ น, นี้ยรักษาโรคของกายลูกของใจนี่ไม่มีใครช่วยเราก็าต้องสาวเองเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้เสลี่นความทุกข์เป็นความรู้เปลี่ยความโกรธเป็นความรู้รกักษาเอาอันนี้หมอช่วยไม่ได้เวลาเจ็บแพทได้ป่วยรักษาจะนี่กอไว้ก่อน เอาโลกของไก่ของน้ำในไว้ก่อนยึดไว้ก่อนแล้วตาเลยบอกเลยว่าไม่ปีไม่เปลี่ยนอะไรกับอะไรมันเจ็บแค่เห็นมันเจ็บนะมันปวดเห็นมันปวดมันล้นเห้นมันล้นมันหนาวเห็นมันหนาวให้ให้ให้ไปสมุนไ่บานแล้วตอนนันป่วยสองปีบอกว่าสะดกป่วยไปเลยไม่ค่อยเดือดร้อนอะไรเอาตัวนี้ไว้ก่อน ว่ากรรมฐานยืดไว้ก่อนไม่ต้องเป็นอะไรกับอะไรหายใจไม่ได้ก็ไม่ต้องกลัวมันาหาความสุขความทุกข์เพราะหายใจหาความสุขกับความทุกข์เพราะไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ต้องอาศัยอย่งเหล่านั้นอาศัยในทรวงเองใจอาศัยใจไปเองนี่เรียกว่าฝึกตนสอนตนมันเป็นของส่วนตัวของใครของมันมันช่วยกันไปได้จริงๆ จึงให้มาทำกรรมฐานแบบนี้ําหนด40วิวันแบบนี้มันผิดอะไรไหมเนี่ย <c oughs> เอเอ ก, ก็ก็ดูแลกันนะอังตานี่จะอยูห่หลังๆให้อาจารย์หนุ่มๆทั้งหลายเดินก่อนไปหัวดำออกก่อนหัวดรอ่ลำหลัง แนี่นำมาได้แล้วตายเราเยีย่ยมนักปฏิบัติอาจารย์เหมือนก็ไปอาจารย์น้นก็นไปอาจารย์ต้องถึงก็อยูแล้วพอใจใจอยู่แล้ ว, ลวหลายรูปก็ออกกันอยู่แล้วอย่ามาเฉยหลงตาเวลานี้หลงตาเก่งที่สุดคือนอนเ <c oughs> <c oughs> มื่อะไรอายุมากเข้ามามันเป็นเด็กนะใช่ไหมเป็นเด็กอนะ่ะ เด็กน้อยเนี่ชนยชอบนอนใช่ไหมถ้านอนได้เนื้อได้หนังแต่คุณแก่นอนเนี่ยมีแต่ความอ่อนแอกินข้าวแทงที่มันจะมีกําลังเหนื่อยไปเลยเอีมใหม่ๆกินข้าวเอี่ยมแล้มันเหนื่อยมันพลังย่อยอาหารเนี่ยมันต้องใช้พลังมากแต่ก่อนกินข้าวเสจับทามขวดต้องจอบต้องอเฉียมเลยอันนี้ไม่ได้ต้องพักฟ่อน ก็ อ, อ, อย่ามเอายางน้องตาให้หัวดำดอกกอนหัวดอนตามหลังไปกันดอกกอนถางทางก็นนาำกลางหาเป่าผู้เถอะเน้องกอนอ่าดูจำในว่าวข้นบวร้านนะฮะกันดอกกอนกันนมถางทางไปโวยไปกันตามกลางก็ สเสียงไปอะไรที่ทิ้งมามันเป็นเล่าเป็นของมัวเมาเอามาให้คนนอกกลางหาบไปให้หาบไปทิ้งเหวทิ้งหง่เฉยห้ามเรียกว่าเป็นทีมสักหน่อยหลังเขาเล่นกีฬาเล่นฟุตบอลแบกหน้าแบกหลังจงหากันให้ได้เข้าโกเข้าประตูให้ได้ประตูคือบัตรผลนพาน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 พูดให้ฟังสองลูปสองลูกเขาก็เห็นว่นมนมน้อยๆล้วก็ฟังได้ว่าเนี่ยสองจริงมันไม่อยู่มันหลงมันก็รู้อย่างเนี้ยเห็นรูปเห็นนามอย่างเนี้ยรูปมันมีอะไรนามมีอะไรมีรูปมีเวทนามีสัญญาสังขาริญยาณ รูปเวทนาสัญญาสังขารญญาณมันเป็นรูปธรรมนามธรรมถ้ามเป็นนามรูปนามรูปก็เกิ ด, ดกาจากอริยตะนะพอใจสร้างขึ้นใหม่รูปเวทนาสัญญาสังขาร ย, ย, ยืดเบิ้ลนั่นเป็นนามรูปรูปดำรมกรรมลา่มันก็ไม่เป็นไรัมนมีอุปทานระยืดออกความสุขความทุกข์นั่นนะแหะเรียกว่านามรูปเกิดดับก็ ด, ดับ มันไม่มีเกิดอีกต่อไปได้ถ้าเราเหลือรูปมันจบเป็นจบเป็นบ้านสารตุลาการยกเลิกกันเลยอ่นกองเวทนาสัญญาสังขารวิญานอ่านหลังให้กันไม่ต้องมาเจียวห้องกันแยกกันเลยแต่ก่อนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญานเหมือนมือห้านิ้วช่วยกันจับตัวกันอยู่เนี่ยปัณณ์มัน หายออกไล้วเบิกกันเลยเป็นศักแต่ว่าไปเลยมันก็จบได้แต่นี้มันมีค่าในลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่อวทางเข้าไปยืดถ้าเราไม่รู้มัน่ะมันเป็นพบเป็นชาติเกิดดับเกิดดับถ้าเราร่วงมันก็จบสิ้นภพสิ้นชาติได้ในเด็กขันรุน่รน เราเอชละภาพเป็นธรรมมาเทปไต่อันเนี้ยหลวงพ่อเทียนสอนพวกเราเราก็เรียนตามเราได้ยินหลวงพ่อเทียนสอนเรามาปฏิบัติแล้วก็ได้ประโยชน์โอ้เราอยากสอนคนเดินให้รู้อย่างนี้นั่นก็อยากสอนคนเดินอยไม่มีอะไรไม่มีเป้าหมายอะไรเพื่อ การบอกความจริงแก่ผู้คนในเรื่องนี้กันอันอื่นให้คนอื่นทำไปเราไม่ชำนาญบอกวเป็นผู้บอกผู้สนอนตรงนี้เท่านั้นเองไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ที่เราอุตสาห์เป็นพันโรงพ่อสรานที่ไปให้เนี่ยก็เพื่อการนี้โดยตรงองค์จตองศิลสร้าง โลงเห็นโค้งเพื่อก่อนนี่ทมเส้นทางไม้เดินร8อยปสิบเส้นรอยปสิบทางทางเห็นโค้องอันต่อผูกต้นไม้ให้แต่ก่อนก็เป็นตรงแยาคาป่าพงแมนโบแม่เพี้ยนตัวผมรังสางนะไวไฟไหมป่าี๋ยวนี่ไม่ได้รับไฟแล้ว อยู่เถอะนอนหลับสบายน้ําก็ใสแล้วแต่ก่อนน้าแดงแดงคนหญิงสาวเกาหลีมาอยู่ด้วยเขาอยู่ไม่ได้เลยอาบน้ําแดงหัวเป็นขวุยวะ่ะลุงตาวโกลนผมเที่ยงเลยมันคันๆหัวแไม่ได้เอาแปลงมาขวดความอยู่ไม่ได้น้า ม, มันแดงกลับไปเกาหลีจดหมาย ทา ม, มาน้าบัตราสักวโตวสายเลยยังก็น้าใสายแล้วจะกลับไปองีงเจ้าจะมามาท่ามลอตอบไปให้ด้วย <c oughs> ยังไม่มีใครตอบเลถ้าตอบไปเขอจะมาอยู่กับเรา เ, เากาหลีห้าสาวเด็กหญิงสาวเกาหล <c oughs> ีเน่จะช่วยกันเอา้ <c oughs> มามันก็สายแล้วสมควรเจ้เวลาขลับพระพุัน